บุรุษชายหญิงทั้งปวงนี้มีธาตุหกคือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายธาตุธาตุลม อากาศสถทธาธา ต, าตุอากาศคือช่องว่างกับวิญญาณธาตุคือธาตุรูปรวมกันเข้าเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติเก่ยับบุรุษชายหญิงนี้ทั้งหมด ธาตุธาขั้งต้นคือดินน้ำไฟลมอากาศเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวแต่วิญญาณธาตุเป็นธาตุที่มีรู้อยู่ในตัวรวมกันเข้าจึงทำให้บุรุษชายหญิงทั้งปวงนี้ มีความรู้อะไรอะไรได้ทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจตลอดจนถึงมีความรู้ทางปัญญาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไป แต่เพราะเหตุที่วิญญาณธาตุคือธาตุรู้นี้ยังเป็นรู้ผิดรู้หลงเพราะยังประกอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเพราะฉะนั้น จึงได้เป็นวิญญาณหรือเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นที่ตั้งของภพชาติทั้งหลายเข้าถึงภพชาติทั้งหลาย ซึ่งพบนั้นก็ตัดแสดงไว้ว่ามีสามคือการมาพบพบที่ยังคล่องอยู่ในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสพจนพระที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายกา น, นเรียกว่ากามาพรจรยังตกอยู่ในกามยังลงในกามรูปรพบพบที่ยัง ตกอยู่ในรูปคล้องอยู่ในรูปที่ท่านแสดงว่าก็คือในรูปประฌานฌานคือสมาธิอย่างสูงที่มีรูปเป็นอารมณ์อันนำให้เกิด เป็นรูปประพรมมแลอารูปประพบพบที่ยังตกอยู่ยังคล่องอยู่ในอารูปเิจทานแสดงว่ายังติดอยู่ในฌานที่เป็นสมาธิอย่างสูงที่มีอารูปเป็นอารมณ์ อันนำให้เกิดเป็นอรู ป, ประรมหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากา ม, มาโลกอรูประโลกอรูประโลกจิตหรือวิญญาณที่ยังเป็นความรู้ผิดรู้หลงเพราะอาวิชชา สืบมาถึงโมหะมิจฉาทิฏฐิต่างๆจึงยังท่องเที่ยวไปในภพทั้งสามหรือโลกทั้งสามดังกล่าวนั้นและ วิญญาณหรือจิตที่ท่องเที่ยวไปนั่นก็เป็นไปตามกรรมะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาติตจัดเอาไว้ว่า กรรมเป็นเหมือนนาสำหรับที่จะปลูกเจะหว่านข้าววิญญาณเป็นเหมือนพืช เช่นพืชของข้าวกล้าตั้งาเป็นเหมือนอย่างยางเหนียวที่มีอยู่ในพืชเพราะฉะนั้นวิญญาณจึง เวียน่ายตายเกิดเป็นปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณคือจิตที่วิญจิตจิตคือจิตหรือวิญญาณที่ ป, ปฏิสนธิและเป็นจุติจิต จติวิญญาณจิตหรือวิญญาณที่จุติคือเคลื่อนปฏิสนธินั้นก็สืบต่อพบชาติใหม่นั้นๆจุติก็คือเคลื่อนจากพบชาตินั้นนั้นไปสู่พบชาติใหม่ ในบทนี้มีการใช้ผิดกันเป็นอันมากคือมักจะใช้ว่าตายแล้วไปจุติในสวรรค์ใช้คำมาจุติผิดที่ เพราะที่ถูกจะต้องใช้ว่าปฏิสนธิในสวรรค์ไม่ใช่จุติในสวรรค์ต่อเมื่อตายจากพบชาตินั้นๆเคลื่อนออกจากพบชาตินั้นๆ จึงใช้ปรจจุติเคนว่าจุติคือเคลื่อนจากสวรรค์อันที่จริงคำว่าปฏิสนธิดุจจิตหรือจุตินี้ เป็นคำที่ใช้คู่กันและเป็นภาษาที่ใช้สำหรับจิตหรือวิญญาณที่พระพุทธเจ้าตัดเรียบเือเนว่าเป็นพืชดังที่กล่าวนั้นเพราะว่า ในสัตว์บุคคลหรือในบุรุษชายหญิงทุกๆคนนี้มีส่วนหนึ่งที่เกิดตายมีอีกส่วนหนึ่งที่ปฏิสนธิและจุติ ส่วนที่เกิดตายนั้นก็คือนามโรคปหรือขันธ์ห้าหรือกายอันนี้ที่เกิดมา ตั้งต้นแต่เป็นกาละะในคันของมารดาและก็เพิ่มพูนธาตุดินน้ำไฟลมอากาศเติบใหญ่ขึ้นคลอดออกมาและก็มีอาหาร คือคำข้าวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากดหาดดินน้ำไปลมอากาศนี่แหละบำรุงเลี้ยงก็เติบใหญ่เรื่อยมาซึ่งความเกิดดังกล่าวมานี่ ก็คือธาตุหกมารวมกันเข้านั่นเองธาตุที่ไม่มีความรู้และธาตุที่มีความรู้มารวมกันเข้าและเมื่อธาตุทั้งสองนี้ยังรวมกันอยู่ชีวิตนี้ก็ดำรงอยู่จนถึงที่สุดคือถึงคราวที่เรียกว่ามรณะความตายมาถึง กายแตกทำลายก็คือความประชุมมงทธาตุหกนี่แตกทำลายธาตุที่ไม่มีความรู้คือธาตุดินน้ำไฟลมอากาศนั้นอันนี้แหละที่เป็นตัวที่เรียกวัดตายตกอยู่ในโลกนี้ ธาตดินก็เป็นดินธัดน้ําาัดไฟธาตุลมธาตอากาศก็แยกกันไปอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเมื่อได้มาก็ไดมาจากโลกนี้มาสะสมกันเข้าและเมื่อคราวแตกก็กลับไปสู่โลกนี้อันเรียกว่าโอกาสโลกโลกคือโอกาส ก็คือพื้นมีพบอันนี้อันนี้แหละคือตายแต่ว่าส่วนนี้เป็นวิญญาณธาตุคือธาตรู้นั่นเมื่อกายนี้แตกสลายก็จุติคือเคลื่อนออกจากกายที่แตกสลายนี้ในเมื่อ วิญญาณธ า, าคือธาตุรูนี้ยังเป็นตัวพืชอยู่ซึ่งยังมียางเหนียวคือตันหาอยู่ในพืชเพราะฉะนั้นจึงจุดติคือเคลื่อนออกจากกายที่แตกนี้ไปถือปฏิสนธิ ในชาติทบใหม่คือไปเกิดขึ้นในนาใหม่ต่อไปเหมือนอย่างคืชดของข้าวที่งอกเป็นต้นข้าวเป็นเม็ดข้าวขึ้นในนาและเมื่อ พืชคือเม็ดข้าวที่ยังเป็นพืชยังมียางเหนียวอยู่นั้นก็เป็นพืชที่จะไปหว่านเพาะปลูกไปดำไปไถในนาอีกครั้งหนึ่งได้ก็ไปเกิดใหม่ไปเป็นข้าวขึ้นมาใหม่อีกก็เป็นพืชเก่านั่นแหละไปสืบต่อเป็นเป็นต้นข้าวขึ้นมาใหม่อีกก็สืบสืบไปดังนี้ เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นธาตุรู้นี้จึงไม่ตายไม่แตกสลายและเมื่อธาตุรู้นี้ยังมีอวิชชาจึงสืบมาถึงตัญหาเพราะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีมีตัญหาเมื่อมีตัญหาก็มีอุปาทานมีกรรม สืบต่อกันไปเพราะฉะนั้นจึงเท่าว่าจึงเท่ากับว่าทุกๆุกคนนี้เมื่อถาดรู้ที่เป็นจิตหรือวิญญาณอันยังเป็นความรู้ผิดรู้หลงประกอบด้วย อ, อวิชชาอยู่ประกอบด้วยโมหะความหลงอยู่ก็อันหมายถึงว่า ยังประกอบด้วยตันหาอุปาทานกรรมเพราะฉะนั้นจึงมีกรรมที่เป็นเหมือนอย่างนาใหม่หรือว่านาอันเก่านั่นแหละสำหรับที่จะงอกขึ้นอีกแล้วก็มีวิญญาณที่เป็นตัวพืชเพราะยังมีตันหาที่เป็นยางเหนียวตรดยกกตันหาขึ้นว่า แต่ในที่อื่นก็ตรัสสืบถึงอวิชชาซึ่งเป็นตัวต้นเดิมดังที่ตรัสไว้ในปฏิจจโรบาตเมื่อรวมความเขาแล้วก็คือว่าถึงมีทั้งอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมอยู่ในตัววิญญาณที่เป็นตัวพืชนี้ก็าะนั้นจึงต้องถูกไปวานในนาเกิดขึ้นมาอีก เป็นข้าวคุณมาอีกอันนี้ก็เป็นปฏิสนธิคือสืบต่อไปและเมื่อกายอันนี้แตกสลายกจุติคือเคลื่อนออกแล้วก็ไปปฏิสนธิกันใหม่หากจะถามว่าไปปฏิสนธิกันใหม่ในที่ไหน ก็คือในพพสามหรือในโลกสามดังกล่าวแล้วตามกรรมที่ได้กระทาเอาไว้ถ่าเป็นกรรมที่เป็นกรรมมาผจรยังท่องเที่ยวยังลงไปในกามนานั่นก็เป็นนากรรมถ้าหากว่ากรรมนั่นเป็น รูปประชนันนานั่นก็เป็นนาเป็นรูปนารูปถ้หากว่ากรรมนั่นเป็นอารูปประชนนาอบที่จะไปงอกงงอกใหม่ก็เป็นนาอารูปก็เป็นไปอยู่ดังนี้จนกว่าจะสิ้นอวิชชาตัญหาอุปาทานกรรม นั่นแหละก็เป็นอันว่าวิญญาณอันท้ายคือท่านรู้ก็หมดยางเหนียวคือหมดอวิชชาตนันหาุปาทานกรรมเป็นอันว่าไปเพราะอีกก็ไม่ขึ้นแล้วแปลว่าหมดชาติหมดพักหมดพบเพราะว่าเพราะเป็นพืชที่ม่นมียางเหนียวพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดังนี้ และวิญญาณหรือจิตซึ่งยังมียางเหนียวยังเป็นพืชที่จะต้องจุดติคือเคลื่อนออกจากพบชาตินี้ไปปฏิสนธิสืบต่อในพบชาติใหม่กันอยู่ ก็คือในกาบมรโลกบ้างรูปบระโลกบ้างอรูปบระโลกบ้างเวียนว่ายตตยเกิดกันไปอยู่ดังนี้นั้นก็มีคำเรียกในอภิธรรมว่าจิตหรือวิญญาณเช่นนี้ที่เป็นตัวพื้นเป็นผวังคะวังคจิตผวังคะวิญญาณ ที่ได้เคยแสดงแล้วก็คือยังเป็นองค์ประกอบของภพชาติดังที่กล่าวมาแล้วยังมีอย่างเหนียวอยู่ก็ต้องเป็นผวางคะเป็นองค์ประกอบของชาติของภพกันอยู่ร่ำไปและจิตรู้วิญญาณที่ เมื่อถือปฏิสนธิในพพชาติที่เป็นปัจจุบันคือเป็นตัววิญญาณธาตุที่ประกอบอยู่กับธาตุห้าขั้นต้นเป็นบุรุษชายหญิงทั้งปวงดังที่ทุกๆคนได้เป็นอยู่นี้ก็เป็น สิ่งที่เราเรียกว่าจิตหรือเรียกวิญญาณนี้เองซึ่งยังออกไปรับอารมณ์คือเรื่องต่างๆยังท่องเที่ยวไปในอารมณ์คือเรื่องต่างๆและก็มีความเข้าใจว่าเป็นตัวเรา เพราะนั้นเมื่อจิตได้อาศัยอาญตนะมีตาเป็นต้นเห็นรูปก็เข้าใจว่าตัวเราเห็นรูปได้ยินเสียงก็เข้าใจว่าตัวเราได้ยินเสียงดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวเรานั่นก็คือ อวิชาตนาอุปาทานกรรมนี้เองเพราะเป็นตัวความยึดถือความยึดถือในธาตุทั้งหลายในนามรูปหรือในขันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้น การที่รู้สึกว่าตัวเราตัวเราเห็นตัวเราได้ยินตัวเรารับตัวเราชังในอะไรอะไรเหล่านี้เป็นตน้นก็คือใจนี้เองคือจิตวิญญาณที่ยังมีเป็นพืชที่มียางเหนียวอยู่ดังกล่าวแล้วนั่นเอง เพราะฉะนั้นใจหรือจิตดังที่กล่าวมานี่จึงยังสัมประยุติคือประกอบด้วยกิเลสเป็นตัวกิเลสฉะนั้นยังได้กล่าวแล้วว่าหักกิเลสหรือว่าหักใจดับกิเลสหรือว่าดับใจก็เป็นอันเดียวกัน มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันซึ่งวิธีปฏิบัติที่จะหักที่จะดับได้นั้นก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาดังที่ได้เคยแสดงมาแล้วโดยต้องมีศีลเป็นภาคพื้นมีสมาธิที่จะได้แห่งพินิจกำหนด ลงไปให้เห็นวิปัสนาภูมิคือเห็นตัวธาตุตัวขันตัวนามารูปอันเป็นที่ตั้งของความยึดถือเป็นที่ตั้งของอวิชชาตัญหาอุปาทานกรรมดังที่ได้กล่าวมาจึงจะมองเห็นไตรลักษ อันนี้จะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนนั่นแหละจึงจะขัดเกลากิเลสออกไปได้ดับกิเลสได้และเมื่อดับกิเลสได้ก็เป็นอันว่าดับใจได้ก็คือดับวิญญาณหรือจิตที่เป็นตัวพืชที่มียางเหนียวนั่นเอง แต่ว่าตัวธาตุรู้ยังอยู่เป็นธาตุรู้ที่ไม่หลงเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ในเมื่อธาตุรู้ไม่มียางเหนียวไม่มีอวิชชาไม่มีตันทาไม่มีอุปาทานไม่มีกรรมก็เป็นธาตุรู้นั่นแหละแต่เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ดังที่กล่าวเป็นธาตุรู้ที่ไม่จุติ ไม่เคลื่อนไม่ปฏิสนธิคือสืบต่อเพราะว่าไม่มียางเหนียวแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เท่ากับเหมือนอย่างเป็นพืชที่ไม่มียางเหนียวไปเพาะปลูกอีกไม่ได้ก็เหมือนอย่างท่านรู้ของท่านทีสิ้นอาสวะแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะฉะนั้น เมื่อยังมียางเหนียวอยู่ดังนี้ในทางปฏิบัติอีกทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ก็คือให้มากำหนดดูตัวเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข ทั้งภายในทั้งภายนอกและเมื่อได้ดูเวทนาอย่างนี้ก็เป็นอันว่าดับใจได้ดังที่อุทยะมานพเป็นคนที่สิบสามในมานพในมานพสิบหกคน ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าขอหนึ่งว่ามีสติจะลึกอยู่อย่างไรกำหนดอยู่อย่างไรจึงจะดับวิญญาณคือดับใจได้ก็มหมายถึงว่าดับวิญญาณที่ที่ยังที่มียางเหนียวคือตัณหา หรือคืออวิชชาตันหาอุปาทานกรรมดังที่กล่าวมาแล้วจะมีสติระลึกอยู่รังอย่างไรจึงจะดับวิญญาณคือดับใจได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่ามีสติระลึกกำหนด ให้รู้จักเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งภายในทั้งภายนอกเมื่อมีสติระลึกกำหนดอยู่อย่างนี้ จะดับวิญญาณคือดับใจดังกล่าวนั้นได้ดังนี้ในข้อนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ยอมจะเห็นตามคลองธรรมติ่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนเอาไว้